สิขาบทวิพันธ์สองร้อาคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าฉันแล้วคือภิกษุชันโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้ฉันด้วยปลายหญ้าคาแตก ลักษณะการบอกห้ามพัตนาหันที่ชื่อว่าบอกห้ามพัตตาหาคือวงเล็บหนึ่งภิกษุกำลังฉันวงเล็บสองทายกนำโภชนะมาถวายวงเล็บสาทายกอยู่ในหัตถบาทน้อมถวายวงเล็บสี่ภิกษุบอกห้ามของที่ไม่เป็นเดนที่ชื่อว่าที่ไม่เป็นเดนคือวงเล็บหนึ่งของที่ภิกษุยังไม่ได้ทำให้เป็นกัปปิยะวงเล็บสองของที่ภิกษุยังไม่ได้รับประเคน วงเล็บสามของที่ภิกษูยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้วงเล็บสี่ของที่อยู่นอกหัถบาตวงเล็บห้าของที่ภิกษูยังไม่ได้ฉันวงเล็บห 6, ของที่ภิกษูฉันแล้วบอกห้ามลุกจากอาสนะแล้ววงเล็บเจ็ดของที่ภิกษูยังไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้ววงเล็บ8ของไม่เป็นเดนภิกษูเป็นไข้นี้ชื่อว่าที่ไม่เป็นเดนของที่เป็นเดนที่ชื่อว่าที่เป็นเดนคือ วงเล็บหนึ่งของที่ภิกษุทําให้เป็นกัปปิยะแล้ววงเล็บสองของที่ภิกษุรับประเคนแล้ววงเล็บสของที่ภิกษุยกขึ้นส่งให้แล้ววงเล็บสี่ของที่อยู่ในหัตถบาดวงเล็บหของที่ภิกษุชันแล้ววงเล็บหของที่ภิกษุชันแล้วบอกห้ามแต่ยังไม่ลุกจากอาสนะวงเล็บ7ของที่ภิกษุกล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้ววงเล็บ8ของเป็นเดนภิกษุเป็นไข้นี้ชื่อว่าที่เป็นเดน ของเคี้ยวที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือโยกเวนโภชนะหายามกาลิกสัตตาหกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวของฉันที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหาคือข้าวสุก ข, ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อพิสูจ ร, รัประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตปาจิตีทุ ก, ทกคำกลืน